ป่าสุกโตจะมีวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีต้นไม้มีภูเขาและมีบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่อื่นบางครังก็หนาวบางครังก็ร้อนและก็มีสัตว์แมลงต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้จะมาสอนให้เราเรียนรู้รู้จักธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยสอนธรรมะเราตลอดเวลาบางทีก็สอนเรความไม่เที่ยงอย่างเมื่อสองวันก่อน ก็เกิดพายุลูกเห็บพายุลูกเห็บมาครั้งนี้ทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มระแนง น, นาฏเยอะพอสมควรบางต้นก็ล้มฝั่งถนนบางต้นก็ล้มล้มทําให้สิ่งต่างๆเสียหายแต่ก็ทำให้เราได้เห็นความสามัคคีของพระและญาติโยมในวัดที่ช่วยกันเคลียรให้กลับคือสู่ความปกติอย่างพวกต้นไม้จะมีมากมายหลายพันทําทให้เราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ สมัยที่หลวงพ่อคําเขียนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากให้ท่านว่างทั้งจะลดน้ำต้นไม้บางครั้งท่านก็ถือผ้าไปตัดเถาวัลที่เกลกะอยู่ตามริมถนนริมสระน้ําธรรมาสังเกตเห็นบ่อยๆท่านจะรักต้นไม้มากบางครั้งก็ไปช่วยแกะเถาวัลที่พันต้นไม้ใหญ่ท่านทําอยู่เป็นประจำมีนิทานเซนอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องวิธีปลูกวจะพืชเรื่องนี้ก็มีแง่คิด ที่ดีมีวัดเซนอยู่วัดหนึ่งอาจารย์และลูกศิษย์กําลังนั่งประชุมกันอยู่ลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์เกี่ยวกับฟาร์มลี้ลับของธรรมชาติอาจารย์ก็ยิ้มแล้วไม่ตอบสักพักหนึ่งอาจารย์ก็ถามบรดาลหล่าศิษย์ว่าเราจะกําจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้อย่างไรลูกศิษย์คนแรกก็ตอบว่า ใช้จอบและเสียมมาขุดเพื่อทำลายวัชพืชอาจารย์ก็ยิ้มไม่ว่าอะไรลูกศิษย์คนที่สองก็ตอบว่าใช้ไฟเผาเลยดีกว่าลูกศิษย์คนที่สามก็ตอบว่าใช้ปูนขาวมาโยรยเดี๋ยววัชพืชก็ตายอาจารย์ก็นั่งฟังเฉยเฉยไม่ได้ว่าอะไรลูกศิษย์คนที่สี่ก็ตอบว่าสามวิธีของสามคนนี้ยังไม่ถูกต้อง ต้องใช้วิธีถอนรากถอนโคนจะต้องถทำใบรากกันด้วยถึงจะกําจัดวัชพืชได้อาจารย์เซนก็บอกว่าพวกเธอทั้ง4ตอบดีทางอีกเอานี้ก็แล้วกันแบ่งที่ดินเท่าๆกันแล้วปีหน้าเรามาประชุมกันในที่นี้เพื่อวัดความสำเร็จว่าใครจะสามารถกำจัดวัชพืชได้ให้แต่ละคนทําตามวิธีการของตัวเองที่เสนอมา สีทั้ง4ีก็รับปากการเวลาผ่านไป1ปีสีทั้ง4ก็มาประชุมกันแต่ตอนนี้สถานที่นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากบรรยากาศเมื่อก่อนที่มีวัชพืชเต็มไปหมดตอนนี้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเหลืองอล า, าบน่ากินไปหมดคือทั้งสคนเนี่ยได้ทดสอบดูแล้วตามวิธีการของตัวเองก็ไม่สามารถแก้ไขหรือทาลายวัชพืชได้ มีวิธีเดียวก็คือต้องปลูกพืชพันไม้ที่มีประโยชน์ลงไปทับปลูกต้นไม้ที่สามารถกินได้หรือต้นไม้ที่ปลูกแล้วเนี่ยทำประโยชน์ต้นไม้จะพืชถึงไม่ขึ้นทั้ง4ี่ก็เลยปลูกต้นไม้ทับลงไปทั้ง4คนเป็นวิธีเดียวที่กําจัดไม้พืชได้ผลที่สุดอาจ า, กการย์เซนก็ได้ลับสังขารไปแล้วไม่ได้มาประชุมด้วย สิ่งสุดท้ายที่อาจารย์เซนได้มอบ ม, มอบไว้ก็คือคําสอนว่าการปรับวัะพืชที่ดีที่สุดก็คือการปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์ลงไปทับคนเราก็เหมือนกันจิตวิญญาณที่ว่างเปล่าบางครั้งเราก็ต้องเติมคุณคุณกาความดีลงไปเพื่อไปไล่สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าจะพืชในจิตใจคือกิเลสอย่างหลวงพ่อขงเขียนเคยพูดว่าเราเนี่ย เติมสติฝาสึกตัวลงไปมันก็จะปไปไล่ก็คีเลตเราไม่ต้องไปทําลายแต่เปลี่ยนเปลี่ยนหลงเป็นรู้รู้สึกเตี้ยบ้างก็เหมือนกับต่อเอาน้ําดีเติมลงไปไล่น้ําเสียเติมบ้างวา่าน้ําเสียมันก็หมดไปอันนี้ก็เหมือนกับวิธีการปร่าไม้จพืชพอย่างลามาเริ่มปลูกต้นไม้เมื่อไม่กี่ปีที่เองเมื่อประมาณ5้ปีก่อนเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักต้นไม้หรอกมาปลูกเนี่ยหัดปลูกในวัดเนี่ยเราก็มาเริ่มเรียนรู้ นิสัยต้นไม้เพราะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยจะมีนิสัยแตกต่างกันบางต้นก็ชอบน้ําบางต้นก็ชอบแดดบางต้นก็เลี้ยงยากบางต้นก็ช่วยตัวเองได้เมื่อก่อนบริเวณหน้ากุฏิขอธรรมะเนี่ยจะเต็มไปด้วยวัชพืชต่างๆเลยเป็นกองไม้กองซากไม้ที่เขาทิ้งแล้วแถวบริเวณขอบสะบางจุดเนี่ยก็เป็นที่วัชพืชชอบขึ้นบางทีเราก็ไปถอนกันอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวขึ้นมาอีกตอนหลังอนบาก็แก้ไขโดยการนําเอาขาไก่ดำปักไว้ก็ช่วยได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นละขาไก่ดําก็ขึ้นแทนที่ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยปลูกต้นไม้ทับไปได้ผลกำจัดวัชพืชได้หน้าขุดอนุบาเหมือนกันวัชพืชก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วเพราะต้นไม้ที่เราปลูกไว้เริ่มโตแล้วก็บังแสงปลูกวัชพืชก็ขึ้นลาบากจากการปลูกต้นไม้บางครั้งก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนเรื่องขาอดทนเพราะอย่างช่วง หดูฝนเนี่ยจะมีศัตรูพืชมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนอนมแมลงผีเสื้อบางครั้งก็มากินใบต้นของต้นไม้ที่เราปลูกบางทีใบโกนเลยเนหนอนบางชนิดกินสองามตัวเนี่ยกินหมดต้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาแก้ไขหรือบางต้นเราปล่อยไว้นานเขาก็แห้งเหี่ยวปลูกแล้วไม่โต มีหลายครั้งที่เรามาเนี่ยช่วยชีวิตต้นไม้ที่ใกล้จะตายโดยดําเขามาใส่ดินแล้วปลูกใหม่อย่างเฟืนค่าหลวงเนี่ยหลายต้นแล้วที่ว่าอยู่สาราหน้าทําท่าจะตายแหลไม่ตายแหลดูเหมือนจะตายนะเขียวแล้วก็ใบเหลือน้อยไม่กี่ใบนะถ้าเรามาเปลี่ยนกระถางเขาใหม่ใส่ดินใส่ปุ๋ยคือเปลี่ยนกระถางให้ใ ห, ใหญ่ขึ้นสักพักหนึ่งเนี่ย เขาจะแตกใบใหม่แล้วก็ใหญ่ขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าบางครั้งเนี่ยต้นไม้ก็เหมือนคนเราเหมือนกันถ้าอยู่ในที่อยู่ในที่เจ้าของดูแลดีสิ่งแวดล้อมดีถูกกับดินฟ้าอากาศก็จะเจริญเติบโตแต่ถ้าอยู่ในที่ไม่ดีดินฟ้าอากาศไม่เอื้อไม่มีใครดูแลใจใส เขาโตยากอย่างต้นไม้ต้นใหญ่ไปอยู่กระถางเล็กเขาก็ไม่สามารถโตได้มีหลายต้นที่เป็นต้นไม้ที่ว่ามีมนาคตสามารถใหญ่ได้แต่ถ้าปลูกในกระถางเล็กๆ เ, เขาจะไม่สามารถโตได้เลยแค่อยู่ประคองตัวไม่ให้ตายเท่านั้นเองแล้วไม่ใช่แค่ต้นไม้เท่านั้นอย่างในวัดจะมีสัตว์ต่างๆอย่างถ้าเป็นหน้าฝนตกเนี่ยยุงเยอะมาก ฝนตกยุงก็ล่าเริงแต่บางช่วงที่แดดร้อนอากาศรบอนอบอ้าวเนี่ยมแมลงวีก็จะละาวา่าแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนไอ้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยพวกมแมลงเหล่านี้ก็จะหายหมดเลยยุงก็จะไม่มีมดก็จะมดก็จะไปหลบช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่สิ่งต่างพักผ่อนต้นไม้ก็จะจะพักเหมือนกัน ธรรมชาติให้เราเรียนรู้ตลอดแล้วก็สอนธรรมะแก่เราแต่ถ้าเราทำเราทำแล้วเรายึดม่านถือม่านเนี่ยบางครั้งต้นไม้ตายก็ทำให้ใจเราตายด้วยได้เหมือนกันอย่างอามานเนี่ยหมดเงินกับท่าต้นไม้ไปก็เยอะลองผิดลองถูกบางต้นซื้อมาปลูกแล้วเรารู้รู้ไม่จริงปลูกไม่นานเขาก็ตายมีหลายต้นที่ตายแต่บางต้นที่เราดูแลเขาดี เขาก็สามารถขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เองเนี่ยเราไปแจกคนอื่นแจกเท่าไหร่ก็ไม่หมดเดี๋ยวเาก็เกิดใหม่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยวัดเราจะเล่นเศรษฐีวินสานกันเศรษฐีวินสานเป็นต้นเป็นเป็นต้นไม้ในตระกูลของสาวร้อยป่แป้งต้นใหญ่ใหญ่สูงหลายเมตรถือเป็นต้นไม้มงคลแล้วต้นดนึงแพงด้วยอย่างต้นเล็กออกมาเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทแล้วเพิ่งเกิด น, นะ ถ้าต้นขนาดย่อมๆก็ตกสี่ห้าร้อยถ้าโตนี่ก็พันกว่าบาทพอตอนหลังขยายพันุ์ได้คือผลิตง่ายกลายไปตอนนี้เอาไปแจกใครเก็ไม่อยากจะเอาคือเริ่มไม่อดคุณค่าแต่เมื่อก่อนนี่ออกมาต้นหนึ่งก็ลําบากตอนสมัยที่ไม่มีนั่นคนเราประชาชีนอะไรกับสิ่งที่มีเยอะมากจะเห็นวคุณค่าตอนที่ไม่มีอย่างเรามาไปที่ภูเก็ตเมื่อได้อนทแล้ว ไปที่พิศพานจีนแห่งหนึง่งก็กลับไปเห็นค ำ, คำข้อเขียนที่คมอ่ารัศดจใจในข้อเขียนปิจยความว่าในมืดมีสว่างในสว่างมีมืดสรรพสิ่งไหนเลยดำรงเพียงลำพังเราควรขอบคุณทุกสิ่งคือใจความในข้อเขียนนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถดํารงอยู่เพียงลําพังตัวเราเองก็เป็นธรรมชาตินะพวกต้นไม้เสี่ยงต่างไปธรรมชาติหมดอะ่ะบางครากเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต้นไม้ก็ช่วยเราเราก็ช่วยต้นไม้สัตว์ก็ช่วยเราเราก็ช่วยสัตว์ถึงอยู่กันได้อย่างสังคมของของชาววัดเราก็ช่วยซึ่งกันและกัน พระถ้าไม่มีแม่ชีทำอาหารไม่มีลรงครัวไม่มีโยมมาถวายก็เสร็จเหมือนกันเราไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพังทุกสิ่งต้องช่วยเหลือกันหมดเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันมีหลายครั้งที่ว่าเกิดอย่างต้นไม้ล้มเมื่อปีที่แล้วก็ทับกำแพงหน้าวัดพังพวกพระก็ช่วยกัน คียให้กับเขาที่ทำให้เราเห็นความสามัคคีของสงฆ์ความสามัคคีของคนในวัดซึ่งขาดไม่ได้เลย น, นี่สังคมใดที่มีความสามาคัคคีสังคมนั้นก็อยู่กันอย่างผาสุขแต่ถ้าสังคมใดไม่สามัคคีการเกิดการแบ่งแยกเกิดการอิจฉาเห็นกันตัวน่ยสังคมนั้นอยู่ไปก็ไม่สุขอย่างที่อาจารย์วิรัชชัยนาสวดมนต์เมื่อกี้เรื่องกัจยามิตร กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่สาคัญมากถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนดีก็สามารถทําให้เราเนี่ยเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกกับทางธรรมได้แต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีถ้าเราไปอยู่ในวัดที่ปลูกเสกอยู่ในวัดที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมอยู่ทําตามกิเลสบ้างเนี่ยถ้าเราไปเดินจงกรมไปภาวนาเขาก็ดูเราเป็นคนแปลก เราก็ไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยสิเวล้อมจะงมีส่วนและครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเพราะถ้าเรามีกยามิติที่ดีเราเองเป็นคนไม่ดีเนี่ยถ้าเราเห็นเขาดีกว่าเนี่ยเราก็ต้องทำตามนะแต่ถ้าเราเราเห็นคนที่เห็นคนที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราไปทำตามเ่เราก็จะเป็นคนแบบนั้นด้วยอเสวานาจะพาลานางังเป็นมงคลข้อแรกเลยพระพุทธเจ้าบอก ว่าเราจะอยากคบคนดีเนี่ยบางรา้งก็ต้องฝืนนิสัยเราเราก็ต้องทำบางทีแต่ไปคบคนชั่วมิตรยังง่ายเพราะคนชั่วจะสองขี้เล็ดเราเราชอบอะไรเขาก็คล้ายๆคล้ายๆกันเน่ะเพราะจิติตคนเราโดยธรรมชาติแล้วจะไหลลงตำ่ำถ้าพูดเรื่องตกยีเรศกันเนี่ยหรือท่าเดียวกันเนี่ยก็จะใช้คบกันง่ายแต่าคนกินเหล้าก็จะชอบคบกับคนกินเหล้าคนชอบเล่กนการพนันก็จะ มีท่าดึงดูดให้มาคุยกันอย่างคนคุยเรื่องบอลเนี่ยหรือมวยเนี่ยคุยได้ทั้งวันแหละเดี๋คนชอบไพ่ก็จะมาจั่วไพ่กันคนชอบติดยาคอเดียวกันเขาก็จะไปมาหาสู่กันพราะมีฟาม ร, รู้สึกว่าครบแล้วไม่ผิดแต่ถ้าครบคนที่เป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมหรือเรียธรรมะเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าผิดตัวเองเป็นคนที่ด้อยกว่าแต่ถ้าเราอยากพัฒน า, นาตนเอง เราต้องคบบัณฑิตพูกเรบบียเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคบครบูบาอาจารย์คบคนที่มีปัญญาบางคนถ้าเราสังเกตนะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไปอยู่ที่ไหนใครก็รักแต่ถ้าคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างหยิงก้าวลาวไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยชอบเวลายามที่เกิดพายุมาเนี่ยสังเกตนะต้นไมใ้ใหญ่ๆมักจะล้ม ผิดกับต้นหญ้าต้นหญ้าไม่ล้มเลยต้นหญ้าเอาตัวรอดได้สบายเลยเกิดพายุทุกชนิดเพราะต้นหญ้าลู่ไปตามล ม, ม น, นั้นความอ่อนน้อมถ่มตนก็สําคัญเป็นการลดอัดตราตัวตนและเป็นการทําให้ผู้ใหญ่ไม่ตายเอนดูชีวิตเราก็สามารถก้าวหน้าได้คนเราก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องเหล่านี้สิ่งแวดล้อมประยมิตรเราก็ต้องเลือกเหมือนกันในมืดก็มีสว่างในสว่างก็มีมืดก็หมายความว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีดีชั่ว ปนอยู่จะหาใครเนี่ยสมแบูรณ์แบบแบบดีร้อเซนี่ยหายากนอกจากพระอรหันต์ความสามารถของคนเราก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคนมีความสามารถไม่ตรงกันคือแต่ละคนจะมีกิเลสไม่เหมือนกันและชอบไม่เหมือนกันแต่สามารถเติมเต็มให้กันได้ถ้าเราไม่อิจฉากันเราสามารถใช้ความสามารถนั้นอ่ะมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมประโคนถนัดด้านโน้นระโคถ น, ดดนัด้านนี้เอามารวมกันเข้าก็าจะเกิดพลังทําให้สถานที่นั้นจเจริญรุ่งเรืองได้ มีหลายที่ที่อนามาสังเกตเห็นนะพอครูบาจารย์ละสังขารไปวัด น, นั้นก็จะเสื่อมลงทันทีเลยเพราะขาดบุคลากรบางทีลูกศิษย์ฉาซึ่งกันและกันไม่เคารพซึ่งกันและกันนิพภะภาษาน้อยกว่าไม่เคารพภาษาบ้าามากต่างคนก็อยากไปใหญ่หรือไม่มีวิถัยทัศน์วัดนั้นไม่นานก็เสื่อมแต่ถวัดไหนครูบาจารย์ละสังขารไปแล้วลูกศิษย์แต่ละคนเคารพซึ่งกันและกันไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่ฉากันเนี่ย ต่างคนช่วยทาหน้าที่วันนั้นนหะสามารถไปรอดและอยู่ได้นานด้วยเคยเห็นหมาหลายวัด เ, เรื่องที่เป็นเรื่องจริงพอลูกศิษย์ลูกหาแข่งแย่งกันทะเลาะกันก็ไปต่างคนต่างไปตั้งวัดเองทีนี้วัดก็แตกแล้วก็จะเหลือคนที่ไรความสามารถเฝ้าวัดมั่งอะไรมั่งก็ไปไม่รอดเพราะบุคลากรใหม่ไม่สามารถมาแทนบุคลากรเก่าได้เลยเราต้องหาทาง กำจัดวัชพืชหรือกี่เหล็ดโดยเติมคุณงามความดีลงไปมากๆคือฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่สี่คือสามาธิทิเพราะถ้าสามาถิทธิผิดละเราเป็นวิชาทิฏิปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับขบวนรถไฟมันลากเราไปผิดตลอดสายเลยแต่ถ้าเราสามาทิทฐิถูกก็เหมือนกับรถไฟวิ่งไปหาที่หมาย คนที่เป็นสามาทิธิก็คือเชื่อว่ามิพานมีอยู่บุญบาปมีกรรมมีการเจริสติสร้างความถูกตัวการปฏิบัติธรรมสามารถพ้นทุกได้แต่ถ้าคนเป็นมิฉายิิก็จะไม่เชื่อเรื่องมรรคนิพานไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าทําดีได้ดีไหมทําชั่วได้ชั่วไหม เต็มไปด้วยความสงสยัยแล้วก็ทําตามกิเลสตัวเองอาจจะบัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้บัญญตัติเลิกถอนในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญตัติหรือบัญญัติไปแล้วถ้าเรามีสมาธิถูกต้องเนี่ยเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆจะช้าเร็วก็ต้องถึงที่หมายแน่ย่างชาววัดก็เหมือนกัน ถ้าเราเชื่อถือว่าหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมเขียนสอนถูกต้องแล้วก็ทําตามท่านอีกไม่ช้าเร็วเราก็ต้องถึงที่หมายแต่ถ้าสงสัยว่าท่านสอนถูกหรือเปล่าอันนี้เราก็อาจจะแย่แล้วพอเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยศรัทธาก็ไม่มีแต่ด้วยความรังเลสงสัยไอ้อันนี้ใช่หรือไม่ถูกทางไหมหนอเราก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมไม่อยากเดินเดินตาม ก็ทำให้เสียเวลาเปล่าเพราะบางทีคูบาอาจารย์ท่านก็ใกล้จะถึงวันนี้ท่านก็ลำบากม า, มากๆอะ่ะจากสถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่ของคอมมิวนิสต์เป็นป่าจนมาเป็นสถานที่ปฏิบัติทํามให้เราได้แล้วใช้เวลานานมากเลยคนที่บุกเบิดต้องเสี่ยงด้วยโดนมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่า กว่าชาวบ้านจะร่วมมือบางทีผ่านอุปสรรคมากมายผ่านความยากจนความยากลําบากทัวงนี้เราก็อาศัยบุญคุณครูบาอาจารย์ทำให้เราอยู่สุขสบายทุกสิ่งมีบุญคุณกับเราอยู่นะเราก็ต้องขอบคุณไม่ได้เพื่อนด้วยกันเนี่ยอย่างลมาเป็นที้บุญคุณคนมากมายเลยคือพูดไม่พูดทั้งวันก็ไม่จบบางทีคนนู้นก็ช่วยเรา คนนี้ก็ช่วยเราแต่โดยธรรมาชาติกิเลสเนี่ยบางครั้งมันก็ลือบุญคุณแล้วไปคิดเอาเรื่องที่เขาว่าเราเขาว่าเราเขาดินทาเราเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องไม่ดีพราะเลยชินชาวความดีคนที่ช่วยเราพ่อแม่เหมือนกันบางทีดีกับลูกร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งลูกก็ไม่ค่อยจำหรอกแต่วันไหนที่พ่อแม่เนี่ยดูด่า ว, ว่ากล่าวลูกหรือขัดใจลูกเนี่ยลูกก็จะจำไม่ลืมเลย ผมเมียเหมือนกันบางทีอยู่ด้วยกันเนี่ยผัวดีกับเมียมากมายวันไหนเกิดทะเลาะ ก, กันเมียก็จะจามเรื่องที่ผัวหัดใจเผือเลิกกันด้วยเพราะโดยธรรมชาติที่สายคนเนี่ย<ม>จะจะชินชาความดีมีความตื่เขาต้องทำเพรเป็นหน้าที่แต่จริงไม่ใช่หรอกถ้าเรามาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยทุกสิ่งต้องช่วยเหลือเกืก้อกูลซึ่งกันและกัน บาทีเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นอัดับแรกเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นบดไม่ได้ถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้ชีวิตเราก็มั่นคงขึ้นแต่เราก็ต้องไม่เรียกร้องจากคนอื่นเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่พอใจยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งตัวเองได้เนี่ยชีวิตเราก็ชีวิตเราก็จะเรียบง่ายขึ้นแต่เราเกิด ไม่ยินดีในตัวในสิ่งีตัวเองมีตัวเองได้เนี่ยชีวิตจะสร้างปัญหาทีเลยเห็นผู้อื่นมีเห็นคนอื่นมีของที่ดีกว่าเราเราก็อยากมีมั่งอย่างบางคนเนี่ยเห็นคนอื่นมีรถ ด, ดีๆเราก็อยากมีรถ ด, ดีๆมั่งมีบ้านที่สวยเราก็อยากมีมั่งแล้วบางคนก็ใช้วิธีคี้ที่ผิดคือเอาเงินของอนาคตไปใช้เงินตัวเองไม่มีก็ไปกู้นี่ยืมสินมา แล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนก็มีคนประเภทนี้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามีมีเงินมีเงินแบบไม่เอาเงินอนาคตไปใช้เนี่ยมีไปก็ไม่เป็นไรแต่ถมีไปเหอะไม่เดือดร้อนไม่บเป็นตนเองไม่บเป็นคนอื่นเพราะเรามีชีวิตอยู่กับโลกธรรมโลกธรรม8เนี่ยมีมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทา สิ่งเล่านี้จะสอนธรรมะเราตลอดถ้าเกิดเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะชีวิตเราก็จะมีแต่ปัญหาเวลามีบางทีก็สามารถหมดได้แล้วมีชื่อเสียงก็สามารถเสื่อมได้อา จ, จมีคนชื่นชมก็อาจจะอาจจะมีคนด่าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงนั้นคนเราจึงตายทุกวัน ทุกครั้งที่มีคนตายเราก็สามารถเอาความตายของเขาเนี่ยมาสอนใจเราได้ว่าสักวันเราก็ตายเหมือนเขาแลาใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยเราก็ไม่ประมาทมันทำความดีเพราะถ้าเกิดเราประมาทปุ๊บเราก็จะโลภอยากได้สิ่งของมากๆทำให้เราไม่คิดทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นความตายความพัดพาความสูญเสียเนี่ย ถ้าหมอมดีก็สอนธรรมะเราได้ทำให้เราไม่ประมาทแล้วมาปฏิบัติธรรมถ้าเราประมาทปุ๊บเราก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมบมอทุกอย่าง ท, ทุกสิ่งอย่างเที่ยงเราจะมาไปลำบากปฏิบัติธรรมไปทําไมใช้ชีวิตตามตามกิเลสดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงคือกุลซึ่งกันและกันเราก็อย่าลืมบุคุลของธรรมชาติเราช่วยธรรมชาติธรรมชาติก็ช่วยเราอันมาเห็นว่าพูดมาก็ สมควรกับเวลาสุดท้ายนี่ท่องกรอนยงฟังก่อนหนึ่งก่อนจบก่อนมองถูกทุกขายของหลวงพ่อพุทธธาตมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนมองคนท้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอา น, นิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นปลายอย่างที่เราหวังหรือเป็นไปตามบัตใจให้ระวัง อยาคุ้มค้ั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้เห็นมันถอนโศกมองเยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกก็ค า, ายสลายเองขอความสุขความเจ ร, รจิญารจงมียราิยโยมทุกท่าน